ยังที่เกิดอุินอุกเฉินดิจินเกันมาหน่นดิจินเดตังนนต้งมื่อาหนดแั้วาเรน่งเราจะพูดปฏิบัติเ่อดจะเพิ่มค่าให้เราทำเพื่อปฏิบัดิดิจินเดตกังอะไรที่ที่กเรนี้ใส่หนงอย่างนึงได้ค่องประท ลงมือแต่ทำแต่แล้วทำอย่างนั้นก็เกิดประโจากการสระพระฟังแล้วฟังแล้วความรู <t une out> ้ฟังเกี่ยนนอนใจแก่ไขสายอาใจใจของตัวจะฟังเพียจิกไอ้วินมันเกิดประโยชน์น เราเลยงั้นใจติดอนเลยงันใจพืาอจะติดแบบอะไรเพ่อเสยเพื่อเสียงั้นใจแ้ใจอย่างไรแต่ลอยได้ตามสภาพเท่านั้นแต่ขอคยวัดต่ว่าถึงลำดับเวลาต่นี้ยเวลาเวลาต่กันแต่ไม่ตจากันวิีกิจวิธีไหจากอนนีเป็นอย่างไร อยู่ดีใจเหมือนใจนอนไปฟิตเนนอนไปแก่คนเลี้ยนโต้ยง่ในอยู่ใ น, ในไม่มีรทจะต้องเลยงเยงาไปยังเป็นเป็นาอย่างนั้นเกิดข์เกิดโทษอาการเหนื่ในใอย ถัดไปเป็นสื่อเชื่อที่เสียไปแล้วนำไปสื่อแจ้งนเชื่ทํายทมาทูู้้บาดสื่ววนใจเปิดเผยาเปเผยให้พทมานน้นเขีนสิ่อเป็นว่าใจเหงื่อสะอาดเหงื่เห่้าเป็นเดือดแหงตเดืจะเป like like ็นเดอดต่อเตือน เน้นท่าางจิตใจเบทุกเป็นเรื่องขอคนน่ะารจิตใจสะอาดการจนใจใส่เรียนการจิตนั้นให้เป็นเรื่องของคนนะแต่ว่าเรื่องคนนะควรเปหนึ่งความเกิควาสบายความสงบ จำเป็นจต้อเนสิดหนปฏิบัติในเส้นในอย่างนั้นมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันเป็นไปตลอดเรวเสตทาัแล้วเอี่นอนไปแบ่ปฏิบัติงรัดประโยชน์กนั้น ไบ้ดูจะได้เสียเปลาได้ค่ความสัดทางได้แค่การตายลด้เพราะกวารเลื่อไสมันเป็นความสุขสุขจะนอนภาเปล่งเตียงหรืเปลือกความตุดและต้นหน้าจะไม่เน็นละแเรื่อใช้ แต่เป็นใจเป็นความเป็นทุกข์เราลำไปที่นี่ที่เดินมาสุบรักษาปฏิบัติรายวาระตลอดจิตใจเกิดแกไขทับไล่ถึงคือเสียเสียเป็นคิดเป็นใรเป็นเทว่เป็นทุกข์เราโออกไป จากใจของเรานั้นมันเป็นทางสป็นิกเป็นทางดัดเ็นมิดแลวยืนอยู่แบบนั้นมันติดมันะบายเลยเสื้อระยะเวลาสั้นเหมือนกันกับเราทานอาหารหยินแล้วจะมีฟันหัวอีคือมันไม่หมดเสื้อของมันเสื้อมันยังอยู่กว่าหมด เนหมดเกินความทุกข์เป็นลาบากในกุเกิดขึ้นแต่จะยังดีถึงระยะเตี้ยเปตันก็ยังดีเหนือนกันก็เลยเลยพากผ่อนนะฮะไมมีการพัก่อนเลยมีแต่ตัดจำทำงานอยู่ตลอดเวลาลำงหนื่ลยมันจะมากอต่อดีวพก่อนนิดหน่อยเรวนึงเพียรมันจะมีกำลังสู่กึน ทำงานต่อไปอีกที่ตอนศึกและขันทักษ์สอนบินไปเต็มจ่เป็นตามาไรจอมสวรรค์แต่ท่านองเดียวกันไปสวรรค์แล้วหมดบินจะลงมาจะเป็นมนุษย์หรือดำเสือที่นีอยู่อาจจะนำเสี้งหรอองเอิดเป็นตัดโยสารตกมนุษย์ดรือจตายจะเป็นหน้าแต่นั้นเรื่อง นอนกันนอนกันสัญที่มันเป็นของแน่นอนเ็ของเป็นของกลังอย่างยืนอะไรต่างเลกนิดได้เหรรเกิดการตานี้มันเป็นที่เป็นเทเกิดเหนื่อยจะเกิดตายมันก็มีเหมือนนั้นเหมื่อนเป็นอย่างนั้นเราจะสัเกิดสันตาย อย่างนี้ความทุกข์ยอมไดรับมันน่าตาความสุขเราได้รับจะจบได้ชาิได้ของเราเองจะต้องแก้ไขจะต้องปฏิบัติจะแกเคลื่อนอื่นจาต้องปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ก็มีโอกาสเวลาอยู่แล้วตายใจเราควรนึ่ง หนักนะหนาติดหยุดเบี้ยนพอแบบแบบติดจะเดินตปตมารราะลยบ้านใ่ขอาจะรู้สิด ท, ทุกอ่างดีๆตยดจะแอบไถ่ทำไรบำเลยสิ่งที่ดีแต่มีตำราหน้าขึ้นพอติดจะทนหน้หากเราเานี่ยทำแต่เวลาผ่านไป เปนตึงลำไส้ตั้งแต่เรมีอะไรที่จะเกิดเึ็นทัดีวิเศษให้พบขาดต่อไปแต่เราเต็เตาที่จะไปเรื่อปฏิบัติอีกเหมือนใจแต่เราเดินทางไปบนวิบเวงไปถึงตีนไม้ปลาย้างทำลำบากอย่างหน่งในารเดิมันจะยังมีอยู่ถ้าจะถึงปิดทิดเขาท้องแล้วเราต้พักอนหลับนอนสะดวกสบาย คิดได้อย่างนั้นคิดได้อย่างนั้นการปฏิบัติมันจปดีเย Clear ี่ยมสมแข็งขึ้นแต่แต่ทำแเราเห็นเราเป็ไม่จิดในใจอตมันเห็นมันเป็นมันตุกมันสงบในจิดในใจแล้วการใดสมัยใดในว่าแต่ตาจะเหนื่อยแต่เรเคลียร์ใจเพราถือความ เป็นงหลังอะไรแล้วล้วมีอะไรตัวยาเกิดอป็นอึอย่างนี้อึมหาสหรออัดอึทำอึแล้วเรามียาอึต่องไปติดปฏิบัติเที่ว่าตินั้นก่อนชาตินี้ก่อนแต่เราเึ็นเก่าจะได้ำ คนผป้เี้ยงที่เดือดั่นหาเอาไว้เผากายร้อใจทั้ทตงตัวเหมือนเงาะเหมือนสุขสอนเรื่องตัวเขาจะมีอันอื่นทุจะสุขสอนจิดใจได้ ด, ด, ด, ดัดแปลงจิตใจได้ขอตัดปฏิปันญาสีธรรมสุขุพทโาสอนหมืนละลึก มีน้อนถึงป็งงานวามดีเป็นคเณปรอโยลน์เพื่อเสริมใจเพื่ลดความผิดใจจปเหมือนเส้นเลือดแตกออกใจเหมือนเบาบางเหมือนสุขเหมืนสบายเพราะเลที่เหนื่อยตายนาเป็นข้าศึกเป็นโรคสาหรับใจของมนุษย์มีหนักเหนื่อยใอกยื จะรับู้รับผู้อื่นนั้นพื่อการจัดออกไปได้ก็เหมือนตาในีุโรปไทยเราจะตระกอบจิตจางงานอะไรมันก็สะดวกคืออย่างเราจะนึกจิตเกิดจิตเป็นมใจทั้งตัวมนอย่างนั้นมันก็ไม่ตื่นลับหลงไ่เรื่อยไป เดี๋ยวเราฝึกเราปฏิบัตแล้ว ส, วสอนดิตั้ลใจของเราอยู่จำนำจเนื้อใจเราตือนจากทมหลักทเลงลว่เด็ดปัญหาหน่อยหนเะกียจริงมากก็ขับไล่งทงเงาะมันออกไปใจถือใจเมื่อ บ, บอดใจผือเป็นหรือตป็ตตนคนหนา แลื่อตอนนั้นนักเรจะเบาบางไปจะตายเป็นแต่ละยานักเรีนที่บุคคลที่งานจะเป็นบุคคลทีู่ที่เดอว่าสิที่จริงก็หนาที่หนาจะเหยียดขี้เหล็นหาะลวะเหยความโล่ความกดความล่ ม, บบ ม, มีปิดบางไปหมดหรือมีติดั้งาหรืมีธ ร, ระสอ ง, อองพอไปถึงเป็นแบบนั้นกันเอียดหรือตีควมเป็นหนาหรือลยน่ากะอะไรมันผิดอะไรมันผิด อ, อะไรมันดีมันเชื่วอะไรมั น, ม น, เ, นเป็นเนเป็นโทษมตั้งแต่เอาละเอยดตั้งยาเอาความยากของตัวโวยหรือติด ในสิ่งนั้นแหละมันเส่ยงมันเสียเหนื่อยทำไปเป่าเปล่าเองแต่ได้รับทุกรับโทษคนอื่นถูกเขาลูกเขาตบถูกชินินาแต่ขอรบดาว่ามเสี่ยง่เหยื่อสเพราะคนๆนั้นทำสูออกไปแต่เสีิทงที่เลยเสีการะประโยชน์ สื่อคนสอชสายอะไรแดีเื่อเคลเอียดมันนาสืชน่นนาสายตลียดสื่อแต่ระยะน่าชมสื่อคนงามคนดีแตดีจังงานได้แต่ว่าอาศัการจังจัดทำไรอาศัาม รักษาดักเลบเวลาอะไรพังหมดมันทำงานแบสะอาดถ้าเรารักษ า, า, ร า, ร า, าเราปฏิบัติเรเลยรักษาปฏิบัตบิความงาามสะอาดมันก็เกิดขึ้นไบ้ใจรายใจใจของเราสิไม่เคยจบไปจบไปเดีวยว <c oughs> ที่เหลือกันหาแล้วเลี้ไปเดีย โรคเปลล้นแล้วตกพยายามมาสองตัวเองตัดเต่าความเสียเสือต่างๆออกไปมันก็ค่อยเบาไปสบายไปเนื่ยมันความเจ็บปวดหมดไปความสะอาดไม่ติดเชิ้มาแพร่ความเห็ดเป็นหมดไปความสว่างไม่ติดเชื้มาแพร่จนจนจ่าชนะต้องคนปวดไป ค ว, จจความสะอาดจะดีความสว่างจะดีการปะหนากความเลืตความปรีเทียบนั้นไม่นีใคร่องตาหรือมใคปนากันเนี่นทีะปฏิบัตเกี่วความตืความสงบความสะอาดความสว่างนั้นมันง่ายมาเรย่าไปปะหน้ากันปะ เลยโดยที่ปฏิบัติในความสงบกรงนี้ใความะว่างสะอาดของใจหนูโดที่ปฏิบัติในควตามธรรมะที่พระทธเจ้าสอนอ่างใอยากหนั้นเหมือนกับว่าอยากอาหารเราไรับทานมันจะไปยินให้ถึงอาหารมันจะมีอยู่ ศาสตดีวมันดีในนั้นในนี้แต่ในน้มมาไร้ดูพวกมันกำเกิดความยืนหยัดให้ตาย่เอใจหดหูหมดเหนื่อยอย่างไรตั้งแต่เชงต้งล่าอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่จะมีกำลังติดตะบานให้มีการรู้การอยางหน้าแต่ เราจะตีตปตีบัดเราจะทานองเดียวกันแต่นั้นาึงเตะตีบัดเดี๋ยวเราตะตีบัดแขนเราทำองหารคนอื่นจนเกิดขึ้นความตุดความสบายเกิดขึ้นความหายหัวเกิดขึ้นเดีเราจะตีตตบัดแล้วทำน่ความเมดบอดคล้องุิดคล้องใจความอยาก นาต้องจิตเคร่งใจไม่ควรตกไปมันเป็นเสียจนแต่ยังชนดความสวงานถึงอีกอ่างตั้ตัวจะเหมเอนเชื่อจนวัดงามต่อตามแต่ขอวัดปีิบัติจิตใจงามมีคุณถ่าระสับสูือีกอย่างเชื่องงามขนาดไหนแต่ไม่เห็นัญหาอิ่มล้อมจิตใจ เลื่องนี้ทำดีอะไรทำแต่ทำแต่จริงจีบเชื่อจีบเสียถูกแต่เพื่อเป็นจรที่เดยเปียนใจปเปลี่นเพืกไปเป็นที่เป็นไทไม่หรือใดของคนอื่นแต่มันเป็นอย่างนั้นเขจะมายืนจนชอบอย่างไรนี้มันเปดขึ้นมาจากอะไรเปดขึ้นมาจากใจ แลยมีสติเลยมีปัญญาเลยมีธรรมะมันจึงเกิดขึ้นได้้านี่ปติปัญญานีธรรมะในตัวผิวผวเสียสเื่อเหน APPLAUSE, ั roster, ้นนั้นแสนัเลยทำเลยปูกไปเลยิดไปเลรักษาใจของเราสะอาดใจของเราให้ส hmm. ว right. well ่างาใจของเราให้ตื่นจากความหลับควาหลเียกเนไม้ยานะน แต่ระยะนั Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. <les> ้นเพิ่มีแหละเป็นคนต่ออาจต่อทำขี้บงจากสอนฝาหน้าขี้แต่บางทีปฏิบัติตัวท่งตัวแต่ตายเป็นอริยชนมากอริยชนคือคคลขีไปจ่ายทำสิทำสิอะไรล ในใจแลาชาตัญหานานาทิศที่ต่างๆขาดไหลไหลใจจนหมดโดยมีธาตุจัตัวหน้าไหนที่จะไปแ่งในจิตในใจเขาทั้งๆแผ่นธาตุแผ่นการานเหยียดคีเวตัญหาขาดรวามเกี่ยวขี้ยะต่างๆนานา หมดไปจากใจจากใจสั่นเป็นอริยชนเหมือนต้นเหมือเป็นอุตตระชนนะห่อมาสกตระหักใจลายใจใจเยียด้่อใจจนไกลยานั่งนลติดตท่านละอีดไม่ขอสกตรนักอริยชนที่บุกจนหมดขาดสิกหมดจัตูรบู่รบจกัดไหลใจะ แากความเปลี่ยเสียมาแล้วเป็นจะเป็นอิสระจะเป็นอัลลัยยานชนมาแล้วก็พยายามแก้ไขจิตใจจิตยังจิตคล่องต่อมองต่างๆจนตายจนอริยชนนี่คือการลตจัตติเนตลดตัตตันหาลดจัตตปีมาหน้าทั้งตัว วเปือกตัวเสีหมดออไปล้วมครตัวทราบได้ลอกจากตัวขตัวขนนั ift, ้นตัวทราบได้แล้วเอยัเลือสบายอย่างไรใจในเปลเนื้อมันเยมมันเยินมันเยินมันสงบปลายปลายปรารัดมันเยิมในเปลือให้เปลือกเองแค่ไห มันจะเปลี่ยนตัวเองมันจะไปเปลีอกนตัอื่นแต่ท่านบอกให้จันม่ไข่ใจเพราะมันหนื่มเห็นมันจนแต่มันเห็นมันจนมันรู้มันไข่ใจแต่มันหมดทิดหมดภัยหมดวิเวกปัญหาหมดการลาการมันจนมันจนมันแต่งกอย่างไรนั้น แต่จะไปถามคนอื there, al, es, so ่นเรื Bom ่องจะรื้อจะกระายเคืุการณ์ทลายวิเดจปัญหาทำลาบศพฆ่าทำลายทุกเกิดมาแล้วเราปรารถนาทุกนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ต่อจะต้องทุกเดือดตันคนเจ็บต่อทุกคนเลยอต่อทุกทุกปล่อยจิตปล่อใจตัว กลิ่นมือตองติดใจต้องตัวได้ถืออ่าฮตั้งจัดขับไล่ติตใจไปถึงท่าใส่แรงใจมันแรงทุกขเกิดมาเพราะชาแบบเป็นทุกข์แต่จิตใจนั้นความดีมันเหลือเลยทุกข์ตอทุกข์ความดีสุขความดีเป็นเวทนาเป็นเร่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่สลายไปเป็นธนราดาอย่างนั้นแต่จิตของเราไม่อบแล้วเหนทุกข์ตใจตันทุกตนหกึบอะต่อเิทุกขึ้นในด้านขงใจอีกแล้วเห็นตามเป็นจริงทั้งมันแตเห็ตามเป็นจริงเ่นี้ก็จัดทุกเกิดจาบุคลเป็นเราเขามันเกิดขึ้นมันจบแเป็น แล้วแต่กระจายพวกนั้นเราทุกข์เปิดมาแล้วต่อเพื่อระจบก็เหลี่นอยู่แล้วทุกข์ทหารมันเป็นเพ่งเพลามาในหัวใจเราต่อจะบ่นเพ้่อร้องเพื่อทำเพื่ออยู่แต่เรื่องทุกข์จะทำอะไรแินอะไรต่อทำอะไรได้เพตาะมันเป็นทุกข์แต่เพื่อเราน้นในการหัวใจ เวลาทุกทาทุกทางใเเกิดขึ้นมาได้เดีวแล้วก็แตกสลายท้งตุกแต่เหมืันเราใจุกมีตลอดเวลาเกินมาแล้วเปลี่ยนแล้วแตสลายไปกตัวรู้เปลี่ยนนีแล้วนเ่นต่วุกมันเปลี่ตัวทุนี้ก่า ในหลวงวเรีแล้วมันจึงจะมีอะที่จะมาก่อความจิตใจในเกิดทุกเกิดทุกปุตต์ปะชาวะทุกสิวจะเป็นทุกับเขาสุปะชาวะสุปสิวจะเป็นสุกับเขาแต่ลอยดูเนื้อเหล่องทั้งตุกทงทุกเนือเหลืองทั้โก แล้วราจะเราตองเ่อยู่แต่เมื่อมีอย่างไรแต่ชาจะทำหลกเขาแต่เราอยู่เนือเขาในนั <Jonas> hey, ้นและสิ่งหลนั้นคือจิตใจต้องแข็งสืบลมใส่หัวนิใส่เต็ใส่เย็นใส่สงบไม่มีโอกาสเวลาใดที่จะสงสัยจิตใจของตัว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอีก คือมันถึงจุสุดการปฏิบัติแบนั้นที่จะเตมเ็มเห life, the the the ็นจอรู้อย่างนี้จะจว่าดีมันจะเกิดขึ้นนั่นต้องอาศัยการปฏิบัติทีนมีปุถุจารมาเติมจิตใจวิจิตรเหอนแจ้งไวติญนั้นเรือ มีใจจริงิงแบนั้นความดิบมันทืหนมันมันกรดข้าวตความใสไม่มีอะไรที่จะสงสัยมีมันในตัวอย่างนั้นเพิ่มมันจึงเกิดสงสัยเกิดดีใจเสียใจติดในติดในทุกจากคณะอย่างนั้นต่อการอย่างนั้ไม่มีวันเวลาพอพอมันเห็นความพอดีสงใจ ถึงความพอใจแบบที่ปฏิบัติไปถึงจิตจบเนีอะไรยาเลยมีอะไรแสดงเศษเศษทุกเศษทั่วหลับความบริสุทธิ์นั้นนั้นเลยอยู่ในเรื่องของขันแต่จะในี้มาจากเรื่องของขันอยู่เดียวกันใจเดียวกัน ไา้เอียดความเข้าใจใอาจในทำมันเกิดขึ้นมันเห็นมันเป็นในตัวมันพูดไา้แต่มันเห็นมันเป็อย่างนั้นมันก็พูดไม่ได้พูดได้นั้นก็ลองแตติดอยู่ตัวของตัวก่อสร้างอย้างนั้นทำมาจาก คนอื่นมันทำมาจากพระพุทธเจ้ามาพูดเต่าเจ้างเปลยเองแต่เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นมันเห็นไม่เจ้างเปล่เองแล้วมันเหมืนมีอะไจะเใส่ีตายตายตายนก็เหม่อนเจ้าใในเบใาดิืการแบบนี้ปฏิบัติมันหมดเจ้าใส่มันชินน้อยตายง่ายมาก แต่อย่างเด็กแต่อย่างตาเด็กแต่อย่างตัวีตัวปฏิบัจะเอากำไรของชีวิตมีแต่ครูแเพื่อนีเรื่อยไปมีแต่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้ความสดขความสบายสงใาสงใจสี่งีุ่ณลิขิตเราไม่มราแล้ว แค่นี้เหละ่อะนี่ดีใจหรือะินนี้ปนที่นี้เป็นนั้นแต่เราบอกปฏิบัติตามอาตมาทาแล้วจะเยียเพราะความเป็นในจิตในใจขอเราใจใจันเป็นอย่างไรเราบอกวปฏิบัติธรรมนี้เลยมีแตปิิปัญญาสับละเอียดเขยเขนเีย แ ต, แต่ขนาดไหนความเบาความสบายของใจมันจะมีขนาดนั้นแต่มันหมดมันสิ้น อ, อะไรแล้วก็ฆ่าโนมีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัแต่เันกทาไมไล่อีกเสียติ่งนั้นไปดูจะขนาดไหนแต่เมื่อฆ่ามันต า, ายแล้วดู เต่มันจะมีอยู่ประตามนีมันก็มีอยู่ประตามเให้มันจะมีอยู่ประตามเรื่อหนังมันมีอยู่ประตามแต่มันใช้ไม่จะเลยทลายขาดนี่ตนนี้มีเหตุเปันหามาก่อนคนไดข้า้องท่านดออกไปตายออกไปจากใจของท่านถึงตนเย็้าเรื่องต่างๆนานา ดวงตาใสเหมือนกับมีเรียอกตาหาแต่ทางการสถดบันแบบิยาอย่างนั้นเป็นกิิยาสมมตความบริสุทธิ์มนอยู่กับเรื่องไหล่านี้ควรติดนแต่เช้าเื่นแต่เช้าไปอยากให้วิทยาจ่าหาไหลพระอริกิดเป็นประเภทเดบุคเขาตายวิทยาจากด เพราะ ก, กระดือหรอือมีกิเลสปัญหาหรือกินขู่กินด่าเพราะกระ่ือขนานั้นเพราะเรามีกิเลสปัญห า, า, ากกหอะไ ร, ร, ตรแต่ถ้าเาทหนักขนาดนั้น ก, กระดือก็จะมีส ต, 5, ติให้แตัจิตความแค้นเอาสมุทโเราเน้นมาสอนมาถือว่าเฉยแต่จิตใจเคร่งขรึมมีเมตตา ยืนหยัดภายในหรืออะไรสื่อจะเนตความบริสุทธิ์ทังท่านสื่อสะอาดแบบพิบตัวต้องตัวที่บกคนเลออยู่ในเลกกรวนการในเลกไอจิตสมมติสั่งสำัญจำนวนมันตังเลกตั้งนเราจมดดำ แกะสายถัดไหลจำน่อนี้ต่องอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยธรรมะที่พระพุทจ้าสอนในอย่างนั้นมันแกะสลยออกว่ามันสังยงไม่จะดุด